หลักส0บประการตามรอยพระยุคลละบาททางกอพอหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พยายามประมวลหลักที่พระเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เราดูมาโดยตลอด10ข้อที่เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นมันน่าจะมีอะไรบ้าง แต่หลักนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพทุกคนขอให้นั่งทบทวนทีละข้อดูว่าเราจะปฏิบัติได้ไหมแล้วพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เราดูปฏิบัติให้เราดูท่งปฏิบัติอย่างไรข้อแรกคือทำงานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านจำคำําคํหนึ่งได้ไหมครับที่เคยรับสั่งเอาไว้ รู้รักสามาัคคีคำแรกคืออะไรที่ทรงสอนเอาไว้รู้เพราะฉะนั้นการดำเนิชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการหรือใครก็ตามจะทําอะไรขอให้เริ่มที่ความรู้เสียก่อนบ้านเมืองทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้อย่างน่าเศร้าใจที่สุดนั้นก็เพราะเอาคําว่าหน้าใส่เข้าไปทุกอย่างคิดว่ามันน่าจะดี มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปขัดแย้งกันพื้นฐานความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆประชาธิปไตยพูดกันเยอะแยะกำลังฟุง้งกำลังบ้าประชาธิปไตยกันอย่างมากแล้วก็เข้าใจคำเดียวคือคำว่าเลือกตั้งคิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเลือกตั้งกันตบบันแต่ว่าเลือกเสร็จแล้วไม่เอาเอาใหม่ทาเป็นเด็กอมมือ ไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องดูที่กฎหมายวินัยในสังคมรับผิดชอบกันในส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งทำไมไม่มีใครพูดเลยสิทธิมนุษยชนของเราก็คือทำอะไรก็ได้ตีกบาลตำรวจก็ได้มันไส้นักตีหัวมันที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่นยมุงกลับไม่ได้นะ ประชาชนเป็นใหญ่สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ชอบพูดเสี้จริงคำที่เชยที่สุดอนุรักษ์อนุรักษ์แปลว่าอะไรไม่ต้องทำอะไรห้ามแตะห้ามทำห้ามอะไรทั้งสิ้นนั่นคืออนุรักษ์มีของเก่าเก็บเอาไว้เข้าใจอยู่แค่นั้นแต่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอย่างไรจะใช้ให้ยั่งยืนได้อย่างไร วิธีทำนุบำรุงป่าให้ถูกหลักป่าต้นน้ำลำทานเป็นอย่างไรป่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรไม่มีใครพูดไม่มีใครอยากเข้าใจเพราะมันยากมันยุ่งแต่ถ้าอนุรักษ์ไว้ดีคือไม่ต้องทำอะไรพอพูดคนเฮตบมือกันสร้างเขื่อนไม่เอาคนเฮเอาใหม่เอาใหม่อย่างอาจารย์บางคนที่ชอบชี้ตามหน้าทีวีเอาไหยเอาไหยเขื่อนไม่เอา พอกลับไปบ้านไปตักน้ำจากเขื่อนของตัวเองหมดแต่สติปัญญาไม่ได้บอกว่าอะไรคือเขื่อนเขื่อนในบ้านคือตุ่มคือแทงคือบ่อกเก็บน้ำทำไมบ้านแต่ละบ้านมีละ่ะคุณอยากเสียเงินไปซื้อมันมาหรือเปล่าไม่อยากอยากซื้อมาตั้งเกะ ก, กะในบ้านไหมไม่อยากแต่คุณต้องมีมีอยู่สามคนไม่ใช่ซื้อตุ่มมาร้อยใบนั่นก็บ้าอีก ก็ซื้อมาจํานวนตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ควรพูดควรทำมากกว่าเพราะก่อประโยชน์มากกว่าฝนตกร้อยหยดบนแผ่นดินนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้กี่หยดรู้ไหมครับฟังแล้วน่าเศร้า น่าตกใจ8ดหยดครับอีก92หยดท่วมไรท่วมนาไหลลงทะเลหมดแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรผมอยากเห็นนักอนุรักษ์ต่างๆเหล่านั้นพอหน้าฝนก็อ้าปากแหนรอน้ำฝนเหล่านั้นไม่ต้องทำอะไรธรรมชาติก็ไปสิทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องรู้อะไรเป็นอะไรตรงไหนควรจะทำอะไรตรงไหนไม่ควรทำอะไร มีบางแห่งก็ห้ามแตะนะตรงนั้นอย่าไปยุ่งการอนุรักษ์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่มีสิ่งที่ใหญ่กว่าพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเริ่มเห็นไหมครับทดลองทดสอบในวังก่อนท่านเอาสาสว่ายน้ำของพระองค์ท่านที่สวนอัมพรมาเลี้ยงปลาท่านบอกอยู่ไปของหรูหราฟุ่มเฟือยก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่ายน้าเลี้ยงปลาดีกว่า ปลาหมอเทศเกิดที่นั่นแจกจ่ายกระจายไปทั่วเลยพระองค์ไม่เสวยปลาหมอเทศพระองค์รับสั่งว่าเหมือนลูกเพราะพระองค์ท่านเริ่มเพาะแล้วก็เริ่มแจกจ่ายไปทั่วเวลานี้แปลพันเป็นปลานินปลาอะไรต่ออะไรเป็นโปรตีนราคาถูกให้กับทุกคนแล้ว แล้วความรู้จริงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นั้นจะต้องแสดงให้เห็นเห็นไหมครับวันที่สี่ธันวาคมเมื่อสองสปีที่แล้วพระองค์ทรงเอากระดาษมาตั้งให้เห็นบนเวทีเลยอธิบายเลยว่าน้ำมันมาอย่างไรเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งไล่เลยตรงนี้เป็นอย่างไรเป็นการสอนพวกเราได้รู้สักก่อนก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทาอะไรนั้น ต้องเริ่มจากรู้เสียก่อนพระท่านก็บอกว่าต้องมีสติและที่มีสติก็ไม่ใช่เป้าหมายของท่านหรอกไม่ใช่ทางพระแต่สติที่เกิดขึ้นจะทําให้มีสิ่งที่สูงกว่านั่นคือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสรุปมาณที่นี้ก็คือว่า ต้องเป็นผู้รู้จริงในการทํางานพระองค์ท่านมีเอกสารศึกษาวิธีทำแต่ละเรื่องที่จะทําแต่ละเรื่องทรงศึกษาอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินพระไทยลงไปช่วยพัฒนาประชาชนนั้นศึกษาก่อนเลยเตรียมก่อนพระองค์ท่านรับสั่งศึกษาแผนที่ศึกษาช่องทางน้ําศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรและเมื่อพร้อมแล้วพระองค์ถึงจะลงไปทำ อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เือให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา ให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไป